คนก็นยอมปรารถนาความสุขแล้วก็เพียรพยายามที่จะให้เข้าถึงหรือว่าได้รับความสุขนั้นในทางพุทธศาสนาท่านก็สอนนะว่าให้เข้าถึงความสุขหรือว่าแสวงหาความสุขด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรมวิธีการที่ประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยธรรมนันถ้เป็นการ การทาหากิ น, นก็ให้เป็นสัมมาอาชีวะแล้วเมื่อได้ความสุขอย่างที่ปรารถนาแล้วสิ่งที่ต้องพึงใส่ใจคือว่าอย่ายึดติดในความสุขนั้นอันนี้ได้พูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะว่าเราไม่ควรติดสุขซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็ สงสัยว่าทําไมเราไม่ควรติดสุขนะความสุขมันเป็นสิ่งที่น่ายินดีติดสุขนี่มันเสียหายอย่างไรเมื่อคราวที่แล้วก็ได้อธิบายไปแล้วนะว่าถ้าเราติดสุขเนี่ยโดยเฉพาะสุขที่เกิดจากการเสพนะเสพทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายซึ่งเรียกรวมๆว่ากามาสุขหรือว่า สุขจากการเสพเนี่ยถ้าเราไปยึดติดในความสุขนั้นหรือหมกมุ่นกับมันมันก็สามารถจะพาชีวิตจิตจังเราไปในทางที่เสื่อมได้คนที่ขี้เกียจเนี่ยขี้เกียจทามาหากินขี้เกียจในการประกอบอาชชีหรือแม้แต่ขี้เกียจในการเรียนเนี่ยก็เพราะติดสุขหรือว่าคนที่อทุจริตคอร์รัปชัน คดโกงรัดขโมยพวกนี้เนี่ยก็ล้นแต่เกิดจากการติดสุขอยากได้ความสุขสบายโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยอยากมีเงินเอาไว้เพื่อเสพทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายเสพเท่าไหร่ก็ไม่พอก็ต้องหามา ให้ได้มากๆหาด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบทำไม่ได้ก็ต้องหาด้วยวิธีการที่ผิดศีลผิดธรรมผิดกฎมากผิดอผิดกฎหมายเรียกว่ามันชุดช่วคนเราไปสู่ทางที่เสื่อมได้แล้วก็ขัดขวางความเจริญอยากจะมาปฏิบัติธรรมรู้นาประการาเจริญสติเป็นของดีการทำสมาธิภาวนาเป็นของดีแต่ว่า ติดความสุขสบายที่บ้านไม่อยากมาเจอความยากลาบากที่วัดก็ไม่มาดีกว่าหรือแม้จะมีความตั้งใจที่จะรักษาศีลประพฤติ ธ, ธรรมไม่ปล่อยให้ความติดสุขนี่มันฉุดไปในทางที่เสื่อมแต่สิ่งที่ต้องเจอคือความทุกข์ทุกข์ตั้งแต่ ดิ้นรนขนขวายหามันได้ไมาแล้วก็ต้องทุกข์กับการรักษาและยิ่งพอมันเสื่อมพอมันสลายไปยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่นะเกิดความโศกความกล่ำครวญเกิดความกัดกรุ่มยิ่งไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรามากเท่าไหร่ยิ่งตกเป็นท่าของมันมากเท่านั้นคือแทนที่ มันจะเป็นของเราเรากลายเป็นของมันไปเลยพอมันสูญสลายหายไปก็จิตใจก็พลอยสูญสลายหรือแตกสลายไปด้วยบางคนที่พอสูญเสียเงินทองสูญเสียทรัพย์ ส, สินเพราะเศรษฐกิจวิกฤตพอหุ้นตกหรือพราถูกยึดยึดบ้านยึดทรัพย์ก็ค่าตัวตายและ หรือไม่ช่ก็กัดกลุ่มน้อยไม่ ห, หลับทรัพย์สมบัติถูกปนถูกขโมยถูกไฟไหมจุกน้ำท่วมไม่ใม้เสียทรัพย์อย่างเดียวนะเสียใจแล้วก็เสียจิตไปเลยก็มีอันนี้เพราะติดสุขนะไปยึดติดในความสุขโดยเพราะสุขที่เกิดจากทรัพย์สุขที่เกิดจากทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งมันก็เป็นสิ่งสาคัญในะสารการเข้าถึงการมาสุขนี่ทำงไงเนี่ยถึงจะไม่ติดสุขนะอันนี้ก็ได้พูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนั่นคือการที่เราได้ตระหนักถึงโทษของมันนะโทษของความสุขชนิดนี้นะว่ามันเป็นสุขที่เจือไปได้วยทุกสุขชั่วคราวแต่ว่าทุกยาวนาน แลทุกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนได้ก็เสียเป็นของคู่กันมีก็หมดเป็นของคู่กันงนถ้าเราตอนหนักเช่นนี้มีอะไรก็ไม่ไม่ไปยึดมัน่นถือมั่นกับมันมากเกินไปเรียกว่าเสพความสุขหรือมีสุขด้วยใจที่รู้เท่าทัน ซึ่งจะว่าไปก็เปลี่ยนกับการกินปลานะถ้ากินปลาไม่เป็นนี่กลางก็ต่าคอหมายความว่าถ้าเราเสพความสุขยังไม่รู้เท่าทันเราก็เจอทุกข์ตามมาจะว่าคนที่รู้เท่าทันนะเมื่อมีความสุขก็ไม่ไปหลงติดมันไม่ว่าเสพทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น มันให้ความสบายก็จริงแต่ว่าไม่ยึดติดมันอันนี้ก็เปลี่ยม่ก็กินปลานะแต่ว่าไม่โดนก้างเนี่ยต่ำคอเพราะระมัดระวังในงานนี้ก็จะเรียกว่ากินปลาก็โดนก้างตํำคอหรือเหมือนกับปลาที่หุบเหยือ่อแต่แล้วก็โดนเบ็ดที่ฝังอยู่ที่ซ่อนอยู่นี่มันทิ่มเอานะ สุขชั่วคราวนะแต่ว่าทุกยาวนานอย่างเดียวกันก็นอกจากเห็นโทษเข้ามาแล้วก็มีสติด้วยนะเวลามีความยินดีเบิกบานใจเพราะได้สุขสุขจากการเสพสุขจากการเที่ยวสุขจากการกินสุขจากการเล่นอ่ะก็ยินดีแต่ก็รู้ทันนะเห็นความสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขอันนี้ก็ต้องใส่สตินะ อันนี้สติเห็นใจที่มันฟูเวลาได้เสพของอร่อยได้ฟังเพลงเพราะใจมันยินดีก็เห็นมันอันนี้เรียกเลยว่าเห็นความสุขนะแต่ไม่เป็นผู้สุขเห็นไม่เข้าไปเป็นนั่นถึงเวลาที่ความสุขมันเจือจางดับหายไปนี่ก็ไม่ทุกข์หรือทุกข์ไม่มาก อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราไม่ติดสุขนะโดยเพราะการมาสุขเนี่ยก็คือการเข้าถึงความสุขที่ประณีตสุขนี่มันมีหลายระดับนะแม้แต่การมาสุขเองเนี่ยสุขจากการเสพก็มีหลายระดับนะระดับที่หยาบที่สุดก็คือสุขจากการเสพของมึนเมาสิ่งเสพติด อันนี้เนี่ยคนโดนมากก็ติดสุขชนิดนี้จนกระทั่งงโงหัวไม่ขึ้นอันโทษของมันเป็นยังไงนี่ก็รู้อยู่และการที่จะสลัดหรือเป็นอิสระจากความสุขแบบนี้นี่มันไม่ใช่ว่าแค่อยากจะเป็นอิสระจากมันหรือแม้แต่เห็นโทษของมันก็ยังไม่พอนะ มันต้องเข้าถึงความสุขที่ดีกว่าที่ประเสริฐกว่าก็เคยมีการทดลองนะเอาหนูเนี่ยนะมาขังไว้ในกรงตัวเดียวเลยนะเดียวเดียวแล้วก็ในกรงนั้นก็มีน้ำสองชนิดนะน้ำเปล่ากับน้ำที่ผสมมอร์ฟีน เพราะว่าไอ้หนูตัวนี้เนี่ยไม่นานเนี่ยมันก็ติดนะมอร์ฟีนมันไม่สนใจน้ำเปล่าเลยแต่ต่อมาเนี่ยก็มีการทดลองอีกอย่างนึงนะเอาหนูเนี่ยมาอยู่ในกรงที่มันมีเพื่อนมีเพื่อนต่างวัยต่างเพศตัวผู้ตัวเมียแล้วก็มีของเล่น ให้มันเล่นด้วยในกลงนี้และแน่นอนแล้วก็มีน้ำสองชนิดนะน้ำเปล่ากับน้ำที่ผสมมอร์ฟีนนี้กว่ามันไม่แต่เลยนะไอ้น้ำที่ผสมมอร์ฟีนเนี่ยหรือยาเสพติดเนี่ยแื่วกินน้ำน้ำเปล่าแลาทำไมเป็นอย่างนั้นนะ คำอธิบายน่ยนึคือว่าที่มันติดยาเสพติดเนี่ยเพราะว่า ม, มันอาจาะรู้สึกเบื่อหน่า ย, ยชีวิตในกรงอยู่ตัวคนอยู่ตัวเดียวลำพังแต่พอมันมีหมู่มิดเพื่อนฝูงนะมีแฟนได้สนุกสนานด้วยกันแล้วแามจะมีของเล่นเนี่ย พอมันมีความสุขแบบนี้เข้ามาเนี่ยมันก็ไม่โหยหาความสุขที่อยากนะความสุขจากมอร์ฟีนนี่ขนาดสัตว์นะคนก็เหมือนกันนะคนที่ติดยาเนี่ยเช่นวัยรุ่นเนี่ยพอเขาชักชวนให้ทำกิจกรรมหลายอย่างนะเช่นมาเล่นกีฬาด้วยกัน นะมีเพื่อนฝูกมาทำกิจกรรมด้วยกันมีคนให้ความใส่ใจให้การยอมรับบางแห่งเนี่ยเขาจัดกิจกรรมเนะบาสเกตบอลเที่ยงคืนแข่งกันระหว่างวัยรุ่นนะตามบล็อกต่างๆเนี่ย พราวว่าคนที่ติดยาวัยรุ่นที่ติดยามันน้อยลงเลยนะมันน้อยลงเพราะอะไรนะเพราะมันมีความสุขที่ดีกว่ายาเสพติดมาแทนที่ความสุขจากมิตรภาพความสุขจากการสนุกสนานความสุขจากการที่ได้รับการยอมรับพวกนี้เนี่ยมันทำให้วัยรุ่นหลายคนเนี่ยเลิกยาเสพติด จะเป็นฝิ่นเฮโรอีนหรือว่ายาม้านี่ขนาดสุขอย่างหยากนะมนุษย์เราเนี่มันก็สามารถจะเป็นอิสระจากมันได้ถ้าเข้าถึงความสุขที่ดีกว่าหรือความสุขที่เปลื้นดีกว่าเคยมีชายหนุ่มคนหนึ่งนะพาเพื่อนมากราบหลวงปูด่ดูพรหมปัญโย พอเขากราบหลวงปู่ดูเสร็จก็เลยชวนเพื่อนเนี่ยที่มาด้วยเนี่ยเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเหล้าชาอยู่คนนี้ก็ชวนเพื่อนบอกเนี่ยเนี่ยมาหาหลวงปู่ดูแล้วก็ถือโอกาสรับศีลสมาทานศีนหน้าจักหลวงปู่ดูแล้วก็ตั้งใจเลยนะให้ทําสมาธิภาวนา เพื่อนที่ติดยาเามียติดยาติดเล่าก็บอกว่าพูดกับหลวงปู่ดูว่าเนี่ยผมจะถือศีลแล้วก็จะปฏิบัติได้ยังไงผมยังกินเหล้าเมายาอยู่เลยปฏิเสธนะหลวงปู่ดูหลวงปู่ดูก็บอกว่าเนี่ยแกจะกินก็กินไปเป็นเรื่องของแกข้าไม่ว่าแต่ขอให้เองเนี่ยนะทำสมาธิให้ข้าวันละห้านาทีก็พอ ทำได้ไหมหนู่มคนนี้ก็กว่าทําได้นะตราบใดที่ยังกินเหล้าอยู่แล้วแกก็เป็นคนที่พูดคําไหนคํานั้นนะอันนี้ข้อดีทุกวันเนี่ยแม้จะกินเหล้านะแต่ว่าก็ไม่ทิ้งการนั่งสมาธิแม้เพียงแค่หานาทีก็ทําทุกวันนะบางวันเนี่ยนั่งสมาธิเสร็จก็ไปกินเหล้ากับเพื่อน แต่บางวันเนี่ยนะเพื่อนมาชวนขณะที่เขากำลังนั่งสมาธิอยู่นะยังไม่ครบห้าหนาทีเขาก็ไม่ไปเพราะว่าทำเนี่ยอยู่พักใจเลยนะในส่วนเนี่ยก็เลิกเล่าไปเลยแล้วต่อหลังเนี่ยก็มาบวชกับหลวงปูดด่ดูจากคนที่ติดยาติดเล่าเนี่ยกลายเป็น คนที่เลิกเหล้าได้ทำไมถึงเลิกเหล้าได้นะเพราะว่าได้พบกับความสุขจากสมาธิเพราะว่าสมาธิมันให้สุขที่ดีกว่ากินเหล้าก็เลยเลิกเหล้าได้หน้าคนเรานี้จะเลิกสุขที่หยาบเนี่ยก็พราะได้พบสุขที่ป็นนี่เช่นเดียวกันนะ้าสุขจาก กาลเนี่ยหรือกาล ม, มาสุขเนี่ยถ้าเราจะไม่ติดมันเนี่ยหรือเลิกมันได้เป็นอิสระจากมันได้ไม่ลุ่มลงในมันเนี่ยก็เพราะว่าเข้าถึงความสุขที่เป็นนี่กว่าเพียงแค่เห็นทั่วของมันยังไม่พอนะหรือเพียงแค่ตั้งใจว่าอยากจะเลิกมันไม่พอแต่ไปที่ ยังไม่สามารถจะเข้าถึงความสูงที่ปัญญิดได้มันก็ต้องหวนกลับไปอีกอันนี้ผู้เจ้าตัดไว้เลยนะว่าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยคือยังแสวงหาทางหลุดพ้นเนี่ยก็คือช่วงที่ออกบัว น, นั่นเองนั่นแหละพระองค์ก็ตัดว่าเนี่ยแม่จะเห็นโทษของกามนะว่ากามเนี่ยคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพึงพอใจเนี่ย แม้มันจะมีคุณน่ายินดีแต่มันก็มีโทษมากแต่พระองค์ก็บอกว่าเนี่ยตราบใดที่พระองค์เนี่ยยังไม่สามารถจะเข้าถึงฌานหรือความสุขที่เกิดจากฌานก็ไม่อาจที่จะรับปากว่าจะไม่หกลับไปหาการอีก นี่ขนาดพวมีความตั้งใจนะว่าเนี่ยว่าจะเป็นกิจากรรมแต่ถ้ายังไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประญนี่คือความสุขจากฌานหรือความสุขทางจิตหรือความสุขที่ประณีดคือความสงบจากสมาธิและปัญญาเนี่ย ก็อาจจะวนกลับไปหากรามได้อีกแลในที่หนึ่งพระองค์ก็ตัดนะเนี่ยพระองค์เล่าถึงตอนที่พระองค์ยังเป็นคฤหัตเนี่ยอยู่ประสาทสามหลังนะมีสิ่งบำรุงบำเรอตนด้วยลูกลดกินเสียงสัมผัสที่น่าพึงพอใจแต่ต่อมาเนี่ยพระองค์ก็ ห, หลังให้กับสิ่งเหล่านี้แม่เห็นผู้คนจํานวนมากเนี่ยติดยึดในกาลหลงไหลในกาลพระองค์ก็ไม่ได้มีความรู้สึกวันไหวหรืออิจฉาเลยแล้วพระองค์บอกว่าเนวที่พระรงองค์เป็นอิสระจากการมาสุขได้เนี่ยเพราะพระองค์เนี่ยได้เข้าถึงสิ่งที่พระองค์เรียกว่าความสุขที่เป็นทิพย์นะพระองค์แต่ว่าเนี่ยเรา ยินดีในธรรมที่ปลอดจากกรรมปลอดจากอากุศลธรรมและเมื่อเป็นพาะเราเข้าถึงสุขที่เป็นทิพเราจึงไม่ยินดีนะในสุขขั้นต่ำหรือในสุขชั้นต่ำสุขชั้นต่ำที่พระองค์พูดก็ถือกรรมมาสุขนั่นเอง พูดงา่ายอย่างนึงเพื่อพระองคเนี่ยละทิ้งการมาสุขได้เนี่ยซึ่งเป็นสุขชั้นต่ำก็เพราะเข้าถึงสุขชั้นสูงนะคือสุขที่เกิดจากสมาธิและปัญญาซึ่งพระองค์ใช้คาว่าสุขที่เป็นทิพย์นะเการที่คนรเราจะไม่ติดสุขเนี่ ย, ยเลยพรอการมาสุขเนี่ยหรือว่าไม่เป็นท่าของมันก็เพราะเราสามารถจะเข้าถึงสุขที่ประเสริฐ อาจจะไม่ถึงกับเป็นถึงกับขั้นชานก็ได้นะแต่เป็นสูตรที่เกิดจากความสงบในจิตใจสูตรที่เกิดจากสมาธิสูตรที่เกิดจากปัญญาสมาธิในที่นี้ก็รวมถึงสติความรู้สึกตัวด้วยนะพระช่วยทําให้รู้จักปล่อยรู้จักว่างไม่ไปลหลงไหลนะในในความสุขที่ได้รับ เมื่อคนเราเนี่ยเข้าถึงสุขจากสมาธิรละสุขที่เรียกว่าความสงบเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะละสุขที่หยาบคือการมาสุขได้แต่เมื่อเราเข้าถึงสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเนี่ยแม้ไม่ทำให้เราเป็นอิสระจากการมาสุขได้แต่ก็ต้องระวังนะระวัง ที่จะติดในความสงบบางคนเนี่ยทิ้งสุขจากรามได้แต่ว่าไปติดนะสุขจากความสงบขึ้นชื่อว่าการยึดติดแล้วเนี่ยแม้เป็นสุขที่ p l n นี่คือความสงบเนี่ยถ้ายึดติดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์นะแค่นี้ครที่เราไม่ควรติดสุข เราก็ต้องระวังอย่าไปติดความสงบด้วยเพราะถ้าติดความสงบแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เจอทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าความสงบก็ไม่เทียงไม่ใช่แต่ความสงบเพราะสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวนะแล้วท่้ความสงบที่เกิดจากการฝึกจิตก็ตามเพราะว่าจิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตั ว, ไ ม, ตวไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ว่าเราจะบังคับจิตให้มันสงบได้ตลอดเวลาหลายคนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยปฏิบัติได้ดีแล้วนะจิตสงบผ่องใสแต่วันนี้มันไม่ใช่อย่างงั้นใชแล้วจิตไม่สงบเฉย เ, เลยจี่จริงก็ไม่ใช่ปัญหานะแต่พอเราไปติดสงบเมื่อไหร่เนี่ยพอจิตไม่สงบนี่กลายเป็นปัญหาเลย เมื่อคนที่ติดความติดสงบเพราะสถานที่มันเงียบสงัดเนี่ยใครที่ติดความสงัดนะความเงียบของสถานที่เนี่ยพอไปเจอที่ที่มันไม่สงบไม่สงัดนี่หงุดหงิดขึ้นมาเลยเช่นกลับไปบ้านนะเจอเสียงดังนิดหน่อยก็ไม่ได้หรือแม้แต่คนที่อยู่วัดบางบางวันบางคืนเนี่ยมันก็มีเสียงดัง จากหมู่บ้านนะเพราะเขามีงานหมอรสถมีงานศพไอ้คนที่เคยติดในความสงบเพราะว่ามันไม่มีเสียงรบกวนเะนี่ยพอเจอเหตุการณ์ที่เข้าเนะี่ยหงุดหงิดงุนง่านขึ้นมาเลยมันกลายเป็นคนที่อ่อนแอเนะเพราะชาวบ้านเนะี่ยเขาเจอเสียงดังยิ่งกว่าเราเนะี่ยชาวบ้านเนะี่ยในหมู่บ้านเนะี่ยก็เจอเสียงดังยิ่งกว่าคนในวัดสิทนะเพราะว่า ไอ้ลำโพมก็อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขากลับไม่งุนงิดอะไรเลยเขาก็นอนหลับได้ไอ้คนวัดนซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยกลับงุนงิดงุนง่านนี่เพราะอะไรเพราะติดสงบนะ ก, นก็กลายเป็นคนทุกข์ง่ายกลายเป็นคนอ่อนแอดามนั้นค ว, มมความสงบเป็นของดีนะแต่ก็ระวังใจอย่าไปยึดติด พาะถ้าติดมันเมื่อไหร่นีเ่เราก็จะทุกข์ง่ายเหมือนนั้นแล้วบางทีหนักกว่า น, นั้นนะในสาวัตถการมีพระรูปหนึ่งนะชื่อพระโคติกกะท่านเนี่ยสามารถจะทำสมาธิจนได้ฌานนะพอได้ฌานเนี่ยก็จะมีความสุขมากเลยแต่พอฌานเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นทุกข์เลยนะ และเพอเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยฌานก็เลยเสื่อมได้ง่ายพอเสื่อมแล้วเป็นไงเอาใหมนะ่ตั้งใจทำจนได้ฌานอีกตอนที่ได้ฌานเนี่ยก็มีความสุขมากเลยแต่พอฌานเสื่อมความทุกข์ก็มาแทนเป็นอย่างนี้เนี่ยหกครั้งนะก็รู้สึกเป็นทุกข์มากนะ ว่าทำแล้วเนี่ยฌานมันเสื่อมไอตอนที่ได้ฌานเนี่ยมีความสุขแต่พอมันเสื่อมก็กลายเป็นทุกข์ไปเพราะมันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือนะสุขมากเท่าไหร่เมื่อได้ฌานก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นนะเมื่อฌานมันเสื่อมก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยจะทำสมาธิให้ได้ฌานอีกครั้งหนึ่งแล้วพอได้ฌานเนี่ย ก็จะเอามีดปาดคอเลยเพื่อจะได้ไม่ต้องเจอกับภาวะที่ฌานเสื่อมแล้วก็ทำให้จริงๆนะพอได้ฌานเนี่ยเรากออกจากฌานเนี่ยฌานยังกําลังฌานยังมีอยู่เนี่ยก็คว้ามีดมาปาดคอเลยเพราะว่าทนไม่ได้กับภาวะที่เสื่อมจากฌานนะก็ขอให้ตายในภาวะที่ยังมีกําลังของฌานอยู่ แต่ก็จะเรียกว่าท่านได้สติคือในะตอนที่ปาดคอไปแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นนะว่าเออมันไม่เที่ยงเลยนะฌานเนี่ยเช่นเดียวกับเวทนานี่ก็ไม่เที่ยงตอนที่เกิดทุกขเวทนามากเนี่ยท่านก็พิจารณาสังขารจนเห็นไตรลักษณ์เลยนะปัญญาเกิดนะแล้วก็บรรุทธรรมเป็นพระราหั์เลยก่อนที่จะสิ้นลม ถ้าเป็นเคสที่ประหลาดมากนะคือเป็นพ้าละหันหลังจากที่ฆ่าตัวตายนะแต่ไม่ได้เป็นผ้าละหันเพราะฆ่าตัวตายนะแต่ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้นะว่าถ้าติดในความสงบนะมันก็เป็นโทษมากเลยนะถึงขั้นที่จะฆ่าตัวเองได้เพื่อไม่ให้เมื่อไม่ไม่ต้องเจอกับภาวะที่เสื่อมจากฌานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้ความสงบเป็นของดี มันช่วยทำให้เราไม่ติดสุขที่หยาบหยาบเป็นอิสระจากการมาสุขแต่ความสรงกลนี้ติดเมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อ น, นั้นของดีเนี่ยถ้าว่าเรายึดมันเมื่อไหร่เนี่ยดีก็กลายเป็นเสียไปเลยความคิดที่ถูกถ้ายึดเข้าไว้มันก็กลายเป็นความคิดที่ผิดไปเลยอย่างที่หลวงพ่อเฟื่องโชติโกท่านบอกเนี่ยความมีโหเราแม้จะถูก แต่ถ้ายิดเข้าไว้มันก็ผิดนะอาคนไม่ค่อยเข้าใจนะสิ่งดีๆเนี่ยถ้าปฏิบัติไม่ถูกนี่มันกลายเป็นโทษไปเลยนะอันนี้คือเรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะสิ่งที่ถูกเนี่ยถ้าไปปฏิบัติไม่ถูกก็กลายเป็นผิดไปเลยนะต้องระวังนะทำผิดในสิ่งที่ถูกเนี่ยก็คือยึดมั่นถือมั่นนะในสิ่งที่สิ่งที่ดี นะแม้ความสงบจะเป็นสิ่งที่ดีช่วยทำให้เป็นอิสระจากการมาสุกสุขที่หยากได้แต่พอไปยึดเข้าไว้มันก็ผิดไปเลยเพราะมันสามารถจะทำให้เกิดทุกข์ได้เอาเยานีพุทธรีนะเอากะ